พุทวธสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสันนิษฐานาดําเนินรายการโดยสันนิษฐานาคพง์มีพระเพบูณ์อภิปุโนโจากวัดปารอนไฮโซดอนธานีเป็นผู้เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทโธชนะก็ได้เวลาที่จะมาพบกับท่านทั้งหลายแล้วนะคะในสัปดาห์ที่ได้ยกเอาเรื่องกรรมมากราบเรียนถามท่านเพบูรณ์ในหลายๆแง่หลายๆมุมว่าพระศาสดา ข, ของเรานั้นได้ตรัสในเรื่องนี้ไว้อย่างไรแล้วก็พยายามจะให้ ตรงกับความสนใจของคนส่วนใหญ่กันให้มากที่สุดดังนั้นหลังจากทําความรู้จักเรื่องของกรรมกันมาแล้วนะคะว่าที่ควรรู้เป็นอย่างไรก็ดําเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งรู้ว่ากรรมเก่าเป็นอย่างไรกรรมใหม่เป็นอย่างไรสามารถจะให้ใครพยากรณ์กรรมของเราได้หรือเปล่าจะแก้กรรมได้หรือไม่วันนี้แหละคะ่ะตอนแก้กรรมจะลงรายละเอียดกันกันกบพระภบูรณาพิปุญ โ, โนนะคะไปกราบนวัส ก, การท่านกันเลยคะ่ะ นกกักัฒการค่านคะเชมบนค่ะในเรื่องของการที่เราใช้ขั้ศัพท์ว่าแก้กรรมแก้กรรมเนี่ยนะค่ะคนทั่วไปคงจะหมายถึงว่าจะทํายังไงให้ทุกขเวทนาที่เรามีมันเบาลงหรือว่าถึงกับหายไปเลยอย่างงี้ถูกไหมใช่อ่าซึ่งแล้วก็ไม่อยากยากเลยนะคะเอา ง, ง่ายๆค่ะ <laughs> ออไม่ยากไม่ยากไม่ยากคำสอนปริญญามายากมายากคะนะเพียงแต่ถ้าทำความเข้าใจได้เนี่ยมันง่ายมาก อันดแรกก่อนก็คือว่าทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันมีแน่นะทุกบ้างทุกบ้างก็ธรรมดาใช่ไหมมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้วิธีการที่จะจะแก้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็มีหลายวิธีในสมมุติว่าเอาวิธีที่เราฝึกปฏิบัติกันอยู่ในที่วัดปาา่าอนัยโศกก็คือว่าคุณนั่งสมาธินะคือไอ้ที่มันทุกทุกอยู่เนี่ยมันก็จะคลายทุกได้นะอันนี้ช่วยได้นะเพราะว่าอันนี้เป็นการสร้างบุญ นะก็จะมาสอดคล้องกับตรงจุดที่เรได้คุยกันอยู่เมื่อวานพูดถึงว่ า, เ, าเกลือกับความเค็มของเกลือนะตรงที่ว่าเกลือเนี่ยมันต้องให้ผลเป็นความเค็มแน่เกลือเนี่ยเปรียบเสมือนกับกรรมชั่วที่เราเคยทํามานะรเรื่องไม่สบายใจอะไรต่างๆเรื่องไม่ดีนะไปทําไม่ดีไว้มันก็ต้องมีผลเป็นความไม่สบายใจอันนี้ก็ธรรมดานะทีนี้ถ้าเกลือมันมากเกลือมันมากามันก็จะต้องให้ผลเค็มมาก ทีนี้ถ้าเอามาละลายลงน้ําที่มากมันก็กลายเป็นเค็มน้อยหรือแทบจะไม่เค็มไปพอเราทําความเข้าใจเรื่องเกลือกับความเค็มได้แล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราต้องมีน้ำมาม า, มากด้วยซึ่งน้ําในที่นี้ก็คือเหมือนกับความดีที่เราทําอย่างคนที่นั่งสมาธิเนี่ยสร้างความดีมากๆเลยนะมากกว่าการรักษาสีนมากกว่าการให้ทานเยอะมากด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นทําให้คนที่นั่งสมาธิเนี่ยเลยเจอความสุขที่เกิดในเดี๋ยวนั้นให้ผลเดียวนั้น ที่มาพูดเมื่อวันก่อนว่ากรรมดีให้ผลเป็นความสุขเดี๋ยวนี้ก็มีกรรมดีให้ผลความสุขในเวลาต่อมาก็มีกรรมดีให้ผลความสุขในเวลาถัดไปถัดไปก็มีสมาธินี่เน่ยเป็นเป็นการทําความดีชนิดที่เรียกว่าให้ผลในปัจจุบันทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิเอาง่ายๆไม่ยากนะคุณเจอความสุขได้ทันทีนความทุกข์อะไรต่างๆที่คุณมีมามันก็จะเบาลงทุเลาลงได้ เพราะอะไรเพราะจิตใจที่เรามันมีบุญตรงนี้เกิดขึ้นได้อันนี้มีได้คนที่เคยปฏิบัติธรรมคนที่เคยอะไรต่างๆจะทราบดีในข้อมูลตรงนี้ค่ะทีนี้คนไม่เคยปฏิบัติธรรมสิคะทีนี้ขออนุ ญ, ญาตถามตรงนี้ ไ, ได้ไหมคะเวลาที่มีคนมีความทุกข์ดิฉันก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงถ้ารายไหนไม่รู้จะช่วยเขายังไรนี่นก็จะบอกเขาบอกว่าเอางี้นะไม่รู้จะช่วยอย่างอื่นละจะบอกวิธีที่ดีที่สุดเลยให้ไปนั่งสมาธิอืดิฉันว่าทุกคนเนี่ยเขา ว่าเราประหลาดเหมือนกับว่าเขาอาจจะคิดว่าการทําสมาธิเนี่ยอโอ๊ยกว่าจะได้ผลก็เยอะแยะแล้วตอนนี้จิตใจมันว้าวุ่นอะ่ะจะมาบอกให้ทําสมาธิเป็นบ้าไปหรือเปล่าเออช่วไปทําบุญก้าวัดยังง่ายกว่าอ่างนั้นใช่ใช่ค่ะเป็นคนยินดีร้อยวัดเลยนะคะแต่นั่งสมาธินี่ยากเหลือเกินก็ก็ต้องอธิบายให้เขาทราบไงว่าคือถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็จะทําสิ่งที่ที่มันอาจจะไม่ถูกต้องร้อเปก็ทําให้มันไม่ได้ผลนะนะ อ่าทีนี้ถ้าสมมุติคนที่ยังไม่อยากนั่งสมาธิเนี่ยอาตมาก็ต้องบอกเขาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ก็พยายามที่จะจะรักษาศีลจะให้ทานคือทํากรรมดีอย่างอื่นที่เราจะต้องทําได้ทํานะทำทำให้มันมากที่สุดที่ต้องระวังนะก็คือว่าคือชีวิตเราตอนเนี้ยมันมันไม่แน่ไม่นอนนะคือมันจะตายเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วก็ถ้าเรายังมีบาปกรรมอยู่เนี่ย บางทีไอ้กรรมที่ชั่วที่เราทำปัจจุบันหรือที่มันกำลังให้ผลอยู่เนี่ยมันเหลือนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันกลับให้ผลมากต่อไปนะเป็นความทุกความเป็นร้อนที่มากต่อไปอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะเพราะว่าเออยอะอย่างเกลืออย่างเนี้ยนะคือความเค็มในโลกมนุษย์เนี่ยมันได้เค็มเท่านี้นะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องของความเป็นภพของมนุษย์ได้เค็มเท่านี้นะแต่ความเค็มในนรก ความเค็มในกําเนิดเดรจานมันเค็มได้มากกว่าเพราะพบมันเป็นอย่างนั้นมันเค็มได้มากแต่ว้าไอที่เค็มมากๆเนี่ยถ้าเกลือมันมันมันก็ละลายเกลือได้มากใช่ไหมแต่ถ้าเกลือคุณมากจริงๆเกลือคุณมากจริงๆนะแล้วก็ไอความชั่วต่างๆที่เราทํามามันมากนะมันละลายในมบพบมนุษย์ไม่หมดเนี่ยมันก็ต้องไปละลายต่อให้มันเค็มได้มากขึ้นเพื่อที่ให้เกลือมันหมดนะก็คือต้องไปที่นรกกาเนิดเดรจานเปลือวิสัยซึ่งอันนี้จะอันตรายมาก แล้วก็แต่ถ้าคนที่มีน้ำมากมีบุญมากนะเกลือคุณอาจจะมีมากอยู่ก็จริงแต่มันก็ละลายไปได้มันก็ได้ผลมันก็ทำให้เราไม่ได้ผลมากต่อไปอันนี้ต้องระวังนะทำให้มาถึงประเด็นตรงที่ว่าบางทีเนี่ยเราทำความดีเราทาความดีแต่ให้ผลเอ๊ะทำไมเราไม่มีความสุขทำความดีแต่กลับไม่มีความสุขเราสร้างกุศลแต่กลับไม่มีความสุข ในขณะที่บางคนสร้างอากุศลแต่กลับมีความสุขบางคนสร้างอากุศลมีความทุกข์ก็มีบางคนสร้างกุศลมีความสุขก็มีนั่นะ ค, so, case, คือมี4แบบนะสี่แบบก็คือสร้างกุศลแล้วมีความสุขสร้างกุศลแล้ว ม, ลลมีความทุกข์สร้างอกุศลแล้วมีความสุขสร้างอกุศลแล้วมีความทุกข์ที่เรากําลังพูดถึงตรงนี้ก็คือคนที่สร้างกุศลแล้วกลับมีความทุกข์พระเจ้าเคยเปรียบเทียบอย่างนี้คุณโยมติวน่าสนใจมากถ้าสมมติเราป่วยเราไม่สบาย เราเปวดเราไม่สบายคุณก็ไปหายามากินทีนี้หมอก็ให้ยาขมมานะเป็นยาที่มีรสขม เ, เขาเรียกว่าภาษาพระเขาเรียกยาดองน้ํามูดเน่ายาดองน้ํามูดเ น, น, น่าก็คือเอาลูกสมอที่มันขมข ม, ขมฝาดๆเปรี้ยวๆเนี่ยนะไปดองน้ําปัสสาวะดองน้ําปัสสาวะจนกระทั่งมันมันมันเป็นผลิตเป็นยาออกมาคุณกินเข้าไปเนี่ยโหรสชาติก็ไม่อร่อยเหม็นก็เหม็นนะแต่ว่ามันดีต่อสุขภาพนะ ม่ดีต่อสุขภาพนะมันเฝื่อนลิ้นอยู่มันทรมานลิ้นอยู่ทรมานจมูกด้วยแต่ดีต่อสุขภาพโดยรวมตัวอย่างนี้พุชาหกยกว่าคนที่สร้างกุศลนะกุศลคือกุศลกรรมบุตรทั้ง10แต่บางทีได้รับความทุกขเวทนาเกิดขึ้นอันนี้มีได้เอา้าวทำไมทุกขเวทนาถึงเกิดขึ้นนะก็เพราะว่ามันอาจจะก็อย่างที่ว่านั่นแหละกรรมเก่าก็มีการเตรียมตัวไม่ดีก็มนะีหรือเหตุแห่งอุตุก็มี เหตุจากคนอื่นก็มีก็เป็นไปได้อันนี้เป็นไปได้เดต้องทำความเข้าใจนี่คือส่วนที่1่ส่วนที่2ก็คือที่เปรียบเทียบว่าคนทำทำกุศลแล้วก็ได้ผลเป็นความสุขนะมีสุขเบทนาเกิดขึ้นอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับคนที่กินยาประเภทที่ยายาเภสัตว์5อย่างสำหรับพระนี่นะเขาจะมีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อย ซึ่งกลิ่นก็หอมหวานรสชาติก็ดีกินเข้าไปแล้วก็ดีต่อร่างกายนะช่วยย่อยอาหารทำให้สุขภาพดีขึ้นมาอันนี้คือคนที่สร้างทำกุศลแล้วได้ผลเป็นความสุขในปัจจุบันอันนี้มีนะแล้วก็อันที่3นะก็คือคนที่ทาชั่วทาบาปกรรมนะทำบาปกรรมชั่วแต่มีผลเป็นความสุขนะแต่ตอนปัจจุบันเนี่ยได้เป็นความสุข ก็คือเปรียบเหมือนกับคนที่กินเครื่องดื่มที่เป็นสุรานะอ้หรสชาติหอมหวานนะแต่ว่ามันเจือยาพิษอร่อยลิ้นอยู่นะรสกลิ่นหอมอยู่แต่กินเข้าไปนี่ถึงก็ตายหรือได้รับทุกเจียนตายนะเปรียบเทียบกับคนที่ทําความชั่วนะทำกุศลแต่ว่าแม้ตอนปัจจุบันเนี่ยมันมีความสุขเช่นคนโกงอย่างเงี้ยซื้อบ้านหลังโตโตได้แต่ว่าไม่ดีแนะ่นอนคุณกําลังกินยาพิษอยู่นะที่มีรสหวาน แล้วสุดท้ายก็คือคนที่ทําอกุศลแล้วได้ผลปัจจุบันก็มีความทุกข์ด้วยนัก็คือเปรียบเหมือนคนที่กินพวกคนที่กินน้ําเต้าขมบวบขมและน้ําเต้าขมบวบขมเนี่ยก็เจื อ, อยาผิษนะเจื อ, อยาผิดเพราะฉะนั้นเราอาจจะอยู่ในประเภทที่อธมายกก็คือประเภทแรกก็ได้นะที่ยังมีทุกขเวทนาอยู่แต่ว่าเราทําความดีนะมันก็เหมือนกับกินยาขมนั่นแหละที่อย่างน้อยสุขภาพร่างกายเราจะดีขึ้นแต่มันไม่อร่อยลิ้นอยู่ตอนแรก ก็จะเป็นลักษณะนั้นอันนี้ก็เประเดื่ที่พูดถึงว่ า, อ, าอย่าเพิ่งท้อถอยนะเคสอย่างนี้ก็มีนะเป็นพุทธพจน์ที่พระเจ้าแสดงเอาไว้นะให้เราตั้งมั่นในความดีต่อไปแล้วไอ้ความดีที่เราทำเนี่ยะจะเป็นตัวที่ทําให้มันสิ้นกรรมได้นะพระเจ้าใช้คํานี้นะคุณหยมติวว่าสิ้นกรรมรนะไม่ใช่ว่าแก้กรรมนะแต่คือทําให้กรรมมันสิ้นไปนะทำไมถึงบอกว่าไม่ได้แก้กรรมได้เพราะว่าเปรียบเทียบอย่างนี้คือโยนไม้ขึ้นไป เยวไมขึ้นไปบนอากาศบางทีมันตกเอาด้านหัวบางทีมันตกเอาด้านข้าบางทีตกมาตรงตรงบางทีมไม่ได้ตกมาเลยเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเราขึ้นสวรรค์ลงนลรกอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยโอ้บางทีมันพยากรณ์ยากสําหรับสัตว์ที่ยังไม่ได้มีคติที่แน่นอนนะบอกได้ยากมากาบางคนเป็นเทวดาสุดท้ายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเลยก็มีนะเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นไปเทวดาก็มี อยู่มนุษย์ไปเรื่อยก็มีสลับไปสลับมาเหมือนขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นมันจะทําให้มันแก่เนี่ยมันก็ไปอย่างอื่นได้ที่ถูกก็คือทําให้สิ้นตัวอย่างหนึ่งที่สมเด็จสังคราชที่เพิ่งสิ้นไปเนี่ยนะท่านรพรองคยกตัวอย่างไว้ดีมากเลยนำมาแล้เก็ตมากเข้าใจมากเหมือนกับว่าเราเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งขาวๆนี่แหละเราก็เขียนตัวหนังสือลงไปกอไก่ข้อไก่เขียนลงไปแเขียนด้วยปากกาสีดํำหมึกดา เขียนจกนกระทั่งมันดำปื้ดไปหมดเลยอ่ะไม่มีสีขาวแม้แต่นิดเดียวแั้นถ้าเราจะไปตามลบกอไก่ตัวแรกที่เราเขียนเอาไว้เนี่ยโอ้ไม่ได้หรอกมันมันยากไม่รู้ตรงไหนเพราะมันซับซ้อนซับซ้อนสับสนทับกันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงนี้หมดเลยซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือหยุดเขียนแล้วก็โยนกระดาษทิ้งไปออ่านั่นก็คือการทํากรรมให้สิ้นนั่นเองปฏิปทาที่ทำให้ถึงการสิ้นกรรมคือมรรคแปดนะที่ว่าอริยมรรคมีองค์แปดตรงนี้ ก็ ค, คือว่าถ้าสำหรับพระพุทธองค์แล้วไม่ใช่เพียงแค่แก่นะเพราะว่าแก้กรรมนี้อาจจะไปปรากฏกรรมใหม่ได้ใช่หมายถึงการทำแล้วทาจริงจงจังๆทำได้เต็มกําลังเต็มที่ตามหนทางที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ไว้คืออริยมรรคมีองค์แปดต้องทำครบเลยใช่ไหมคะคือทำให้เป็นเข้ากันหมดเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันปุ๊บเราก็จะสิ้นกรรมได้และจะสิ้นกรรมได้ สรุปแล้วก็คือว่าถ้าท่านคิดว่ากรรมของท่านไม่ดีท่านอย่าเพิ่งท้อเพราะว่ากรรมไม่ใช่เรื่องตายตัวอ่าเป็นอย่างไรแต่ผ่านที่ผ่านมาแล้วจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจะปรับเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยได้อือสร้างเหตุดีผลก็จะดีที่ดิฉันกราบเรียนท่านเมื่อสักครู่นี้ก็คื อ, อคนที่มีความทุกข์เฉพาะหน้าเนี่ย ก็มักจะมีความรู้สึกพอไปบอกให้ทําสมาธิเนี่ยมันไม่เห็นว่าน่าจะช่วยอะไรได้แต่จริงมาคิดตามก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะท่านเพราะว่าเหมือนกับทุกมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วจะตายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วจะถูกสารตัดสินพิพากษาเดี๋ยวนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ, อ, อันนี้คือเพราะว่ากรรมเก่ามันมันบังเอาไว้ด้วยนะทําให้เขาไม่เห็น อบางทีเราชี้ช่องให้แต่เขาไม่เห็นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นอย่างเงี้ยมันก็เขาก็ต้องรับไปก็ช่วยไม่ได้ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นค่ะอืแต่เดี๋ยวฉันคิดว่าถ้าเดง๋คิดตามไปเรื่อยๆเนี่ก็คือว่าของผู้นี้ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บทำแล้วให้ผลถูกไหมคะก็ต้องรู้แล้ววันนี้มีความรู้ ก็ต้องเร่งทําในสิ่งที่ดีตั้งแต่วันนี้ใช่ใชแล้วก็ทําไปอย่างสม่ําเสมอสม่ําเสมอสม่ําเสมอไม่ไม่ต้องรอผลดี๋ไหมครับเพะถ้ารอผลแล้วมันกังวล น, นะครท่านเน่มาสักทีทำทำไปได้เรื่อยใช่ใช่ขอให้เชื่อเชื่อแล้วให้ทําทําแล้วไม่ต้องไปกังวลว่าผลจะเกิดหรือไม่สิ่งสิ่งที่เราจะเห็นได้ในปัจจุบันแน่นอนอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งนี้ทําแล้วมันดีคือเพราะความดีของมันเนี่ย ที่เราได้ทําดีตรงที่ได้ทำเนี่ยคือดีแล้วเห็นได้ในปัจจุบันค่ะ น, นะคะกอะ็อันนี้ถือว่าสรุปได้เลยไหมคะว่านี่แหละคือการแก้กรรมแต่ไม่ใช่แก้กรรมธรรมดาแก้เพื่อให้สิ้นกรรม ส, ส, สับเทคนิคที่ถูกต้องตามพุทธพจน์ก็คื อ, อทําให้สิ้นกรรมอะไรเงี้ยค่ะ น, นะค ะ, ะครบถ้วนกระบวนความสําหรับวันนี้ก็กราบนำ้ำมการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโ น, โนนะคะ วันป่าดอนไฮโศกอุดรธานีเป็นอย่างยิ่งค่ะการวันสการค่ะค่ะก็เป็นการเปิดพันที่ถูกปิดโดยผู้ทวัตเจนะในเรื่องของกรรมซึ่งว่ากันเป็นชุดเลยนะคะก็เป็นซีรีส์ตั้งแต่วันจันเรื่อยมาจนถึ ง, ถงวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ยังมีเหลืออีกวันนึงในสัปดาห์ก็ไปกราบเรียนถามท่านไพริบุญกันต่อนะคะว่าแล้วในเรื่องของกรรมที่คิดว่าเราควรจะได้รู้เพิ่มขึ้นอีกจะมีอะไรหรือไม่ ะะก็ไปติดตามกันในวันพรุ่งนี้ต่อค่ะวันนี้พุธวันสวัสดีนะคะ